สามจุดหนึ่งเราปฏิบัติกับจิตของเราเหมือนลูกเราวงเล็บเปิดยี่สิบสี่มิถุนายนส5งพันห้า้อยห้าสิบจุดจุดนาทียี่สิบห้าวงเล็บปิดถ้าใจยังอะไรอววรจะยังละกามราคะไม่ได้ต้องเห็นทุกเห็นโทษถึงจะละได้ดังนั้นกิเลสเกิดขึ้นมาความอยากเกิดขึ้นมาหรืออะไรเกิดขึ้นมาแล้วเรายังละไม่ได้เพราะเรายังทุก์ไม่พอ ถ้าเมื่อใดเรารู้ว่านี่คือทุกข์ล้นล้วนนะอย่างไรก็ไม่เอาดังนั้นการรู้ทุกข์นี่แหละคือเรื่องสําคัญที่สุดในการภาวนารู้ลงไปในกายในใจจะเห็นกายนี้ก็ทุกข์จิตนี้ก็ทุกข์เห็นอย่างนี้ถึงวันหนึ่งเขาถึงจะวางฉะนั้นอย่ากเกลียดทุกข์นะทุกข์เนี่ยดีเอาไวร้รู้ถ้ามันยังไม่พอมันก็ไม่วางไม่มีใครสั่งจิตให้หลุดพ้นได้จิตเขาหลุดพ้นของเขาเองหลุดพ้นของเขาเองได้เพราะเขามีสติ มีสัมมาสมาธิมีปัญญาแก่รอบเขามีสติมีสัมมาสมาธิมีปัญญาแก่รอบได้ด้วยตัวของเขาเองแต่หน้าที่ของเราก็คือพาให้เขาเรียนรู้ไปอย่าพาเขาเที่ยวร่อนเร่ไปพาให้เขาคอยรู้กายพาให้เขาคอยรู้ใจเวลาเขารู้กายรู้ใจก็อย่าเผลอเพลินไปที่อื่นอย่าไปเพ่งใส่กายใส่ใจให้สักว่ารู้ว่าเห็นรู้อย่างมีสัมมาสมาธิ แล้วเขาจะเห็นความจริงของกายของใจด้วยตัวเขาเองเพราะเขามีความรู้ขึ้นมาด้วยตัวเขาเองเขาก็หลุดพ้นของเขาเองเราปฏิบัติกับจิตของเราเหมือนลูกเราเหมือนเด็กคนหนึ่งเราไปฉลาดแทนลูกไม่ได้นะเราอาจจะฉลาดแต่ลูกโง่ทําอย่างไรก็ไม่ฉลาดเราไปทําความฉลาดแทนเขาไม่ได้แต่เราพาให้เขาเรียนได้สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อมหนวยให้กับเขาเช่น อย่าไปพาเขาทำผิดศีลธรรมให้เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เขาได้ศึกษาได้ฟังธรรมให้เขาได้ปฏิบัติธรรมรู้กายรู้ใจหรืออย่างเราเลี้ยงลูกก็ให้เขาได้เรียนหนังสือได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีคบเพื่อนที่ดีเขาจะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นเองแล้วเขาก็สอบได้ของเขาเองเขาสอบได้ของเขาเองเพราะเขาฉลาดของเขาเองเราไปสอบแทนลูกไม่ได้หรือบางคนทำได้ก็ไม่รู้นะ ฉะนั้นเราฝึกจิตใจให้จิตใจได้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจเรื่อยๆตอนนี้เขาเรียนรู้จนเหน็ดเหนื่อยแล้วก็พาให้เขาได้พักผ่อนบ้างให้เขาทำความสงบเข้ามาเขาพักผ่อนพอสมควรแล้วเหมือนลูกเราขี้เกียจขี้คร้านเราก็ต้องเร่งรัดให้อย่าขี้เกียจนะคอยทาการบ้านคอยเรียนหนังสือคอยรู้กายรู้ใจไว้เขาเรียนไปเหนื่อยแล้วก็ให้เขาพักอีกเนี่ยเป็นระยะๆอย่างนี้ไป พอเขาเติบโตขึ้นมานะเขาก็มีความรู้ของเขาเองเราจัดการกับจิตด้วยวิธีเดียวกันนี้อย่าห้าวหาญไปกูเก่งกูจะทำจิตให้หลุดพ้นนะหลวงพ่อเคยนะขนาดภาวนาจนชำนาญแล้วนะสักปีสามหกสามเจ็ดภาวนาแล้วทำไมตรงนี้ไม่พัฒนาเลยภาวนาใหญ่อยู่ที่วัดวังน้ำหมอกสาขาวัดหินหมากเป้งไปภาวนาที่นั่น เสร็จแล้ววันหนึ่งเหนื่อยแล้วก็เลยเดินเข้าไปในโรงครัวมีตู้หนังสือธรรมะอยู่ตู้หนึ่งขี้ฝุ่นเกาะเลยนะแบบตั้งแต่ปิดไว้แล้วคงยังไม่เคยมีใครเปิดไปเปิดมาเจอหนังสือของอาจารย์มหาบัวเล่มหนึ่งชื่อเข้าสู่แดนอวกาศของจิตธรรมยืมเข้ามาอ่านอ่านได้ไม่กี่หน้านะปกติไม่ชอบอ่านหนังสืออ่านได้ไม่กี่หน้าใจมันก็สอนขึ้นมาบอกว่าไม่มีใครทําจิตให้หลุดพ้นได้หรอกจิตเขาหลุดพ้นของเขาเอง เราอ่านในเรื่องของท่านมีเรื่องที่จิตท่านหลุดพ้นเยอะแยะนะแลยปิดหนังสือยกมือกราบท่านนะเอาหนังสือไปเก็บเข้าตู้แล้วก็มารู้กายรู้ใจไปให้จิตเขาเข้าใจของเขาเองไม่มีอะไรหรอกง่ายสุดๆเลยนะ